บุคคลสองสมาชิกครอบครัวปู่ต า, ตายา่ายาย เขาและเธอฮอาุ น, นพ่อป้าแม่มูอนเขาและเธอฮันเอาฮุนลูกชายเซร์นลูกสาว เขาและเธอฮันโอหุนพี่ชายน้องชายโผพี่สาวน้องสาวซุสตร์นเขาและเธอฮันอาอฮุน ลุงอานาลุงป้าอานาชนเชนเขาและเธอแฮนอาห์ุน <o> เราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวที่ไม่เล็ก แฟมิลี e n อน์แอร์เอกล่ครอบครัวใหญ่แฟมิลี่ยอน์แอรสต